เถ้ามีสติกิเลตดับแต่เวทนาไม่ดับบางอย่างมีสติก็ดับบางอย่างมีสติก็ไม่ดับไม่จําเป็นอะไรมีสติแล้วดับทันทีคืออกุศลอกุศล น, นะถ้าสติจริงๆเกิดแล้วอกุศลจะดับทันทีแต่อะไรที่สติเกิดแล้วไม่ดับทันทีอย่างรูปเนี่ยร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าอยู่นี่ถ้ามีสติมันก็ไม่ได้หายไปไหนหรือความรู้สึกปวดเมื่อยนั่งสมาธินานปวดขา มีสติขึ้นมาไม่จำเป็นต้องหายปวดเพราะความปวดเป็นเวทนาไม่ใช่กิเลสตัวที่จะดับทันทีคือกิเลสเท่านั้นตัวอื่นไม่จำเป็นต้องดับ